เพื่อให้ชัดขอยกคำบาลีเดิมมาให้ดูด้วยบาลีว่ากระถังพระวาภาวิตตโตพระวาภพาวิตกาโยพาวิตะสีโลพาวิตะจิตโตพาวิตะปัญโยพาวิตะสติปัฏฐานโนพาวิตะสัมมปัฏฐานโนพาวิตตะอิทธิปาโทพาวิตินทรโยพาวิตตะพโล พาวิตะโพชังโคพาวิตะมัคโคประหีนกิเลโสปฏิวิทากุปโปสัจจิกตะนิโรโทพึงดูคำแปลที่รักษาศัพท์ดังนี้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นพาวิตะคือพัฒนาพระองค์แล้วอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพาวิตะกายทรงเจริญกายแล้ว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 คือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเองในข้อความร้อยแก้วที่ตรัสถึงภาวิตาสีที่ถือว่าขยายกระจายออกไปจากภาวิตัตนั้นยกมาพอเป็นตัวอย่างในอนาคตสูตรที่สอังกุตรณนิกายปัญจการนิบาตมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยคือภัยในอนาคตหประการนี้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 และจากไม่สามารถแนะนำผู้ที่ได้รับอุปสมบทเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญาแม้เหล่าผู้ได้รับอุปสมบทนั้นก็จะเป็นผู้ไม่ใช่ภาวิตากายคือไม่ได้พัฒนากายไม่ใช่ภาวิตะศีลคือไม่ได้พัฒนาศีลไม่ใช่ภาวิตะจิตคือไม่ได้พัฒนาจิตไม่ใช่ภาวิตปัญญาคือไม่ได้พัฒนาปัญญา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 ม่ใช่ภาวิตศีลไม่ใช่ภาวิตจิตไม่ใช่ภาวิ ต, ต, วตปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนี้แลเพราะทำเละเลือนวินัยก็เละเลือนเพราะวินัยเละเรือนรำก็เละเลือนภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยข้อที่หนึ่งนี้ยังมิได้เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนั้น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 คือม่ได้พัฒนาปัญญาภิกษุเหล่านั้นทั้งที่ตนมิได้พัฒนากายมิได้พัฒนาศีลมิได้พัฒนาจิตมิได้พัฒนาปัญญา <c oughs> <อ>ก็จักให้นิสัยรับเป็นอาจารย์แก่เหล่าภิกษุอื่นและจักไม่สามารถแนะนำเหล่าภิกษุที่ถือนิตสัยเป็นสิทธนั้น <c oughs> ในอธิศีนในอธิจิตในอธิปัญญาแม้เหล่าภิกษุที่ถือนิตสัยเป็นสิทธนั้น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 ในอธิปัญญาแม้เหล่าพิสุที่ได้ถือนิสัยนั้นก็จักเป็นผู้ไม่ใช่พาวิตากายมิใช่ภาวิตาศีลมิใช่ภาวิตาจิตมิใช่ภาวิตาปัญญาพิสุทั้งหลายด้วยประการะนี้แหลเพราะทำเละเลือนวินัยก็เละเลือนเพราะวินัยเละเลือนทำก็เละเลือนพิกษุทั้งหลายอนาคตภัยข้อที่สองนี้